ที่วัดป่าหัวตลกวนารามวันที่7ตุลาคม2559เรื่องมันมีอยู่แล้วในตัวเราโดยหลวงการนรงศักดิ์ขีณาโยไม่ได้หมายถึงนะไปทำความสงบในข่านสมัมปทาหรือไปทำความสงบอย่างที่หลายคนเนี่ยพยายามไปไล่ดับความที่ไล่ดับอารมณ์ไล่ดับความรู้สึกมาให้กับเรื่อง แต่มันถึงธาตุที่ว่างเปล่าที่สงบจากความบุงแต่งสงบว่างเปล่าจากสังขารบุงแต่กในแด น, นทั้งหมดเรียกว่าปีติสังขามันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนมันมีอยู่แล้วในพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วในพระอาหารหันต์มีอยู่แล้วในสัตย์รฉานทั้งหมดสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแต่บุตรชนและสัตว์เรฉานและ ส, สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาอินพรหมยมยักษ์นาคขนทันธ์ ผู้ที่เรียนไหว้ตายเกิดทั้งหมดไม่เห็นมันมันไม่อยู่แล้วในทุกท่านไม่ใช่มีเฉพาะในวุทธเจ้ากับในพระล้านมีแต่วุทธเจ้ากับพระล้านนั้นแหละที่พบเห็นมันได้เพราะอะไรพันสิ้นสันส ง, สสนงขารสิ้นหลงอตัวเราไปเป็นสังขารสิส้นยึดถือสังขารสิส้นความวุ่นวายวุ่นวายวุ่นวายไม่เลิกวุ่นวายใจสติเลิกเอาใจไปวุ่นวายไม่เลิกวุ่นวายในใจสติเอาใจไปวุ่นวายไม่เลิกวุ่นวายในใจ มันเหนื่อยมากเลยไม่รู้จักเหนื่อยกันบ้างนังไงยังไงเมื่อไหร่ไม่รู้สึกว่ามันดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นจะหาพระนิพพานดิ้นดิ้นดิ้นจะมัน้นทุกข์ดิ้นดิ้นยิ่งจะเอาหาความสุขที่ทุกข์ไม่มีดิ้นล่นค้นหากระเสือกกระสนดิ้นลนปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งมันหนักหนักเข้ามันเหนืยเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยธรรมดานะมันเหนื่อยเหนื่อยจริงๆแล้วมันก็วางบึมลงไปเลยเหนื่อยจริงๆเว้ย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 แล้วมันแสนเหนื่อยจริงๆล้าไปเป็นหมดเลยแล้วก็วางเสี้ยววินาทีที่วางลงเนี่ยยินดังเดิมแต่แท้เป็นความสงบเยือกเย็นก้นบึ้งหัวใจมันโผล่มาเลอ่ะทีกตอนกูดิ้นหาแทบตายมึงไม่มีมึงไม่เกิดพอกูวางแค่นั้นนะพอหยุดดิ้นนะมึงเกิดทันทีเลยมงโผล่ทันทีแล้แต่แท้มันไม่ได้เพิ่งจะเกิดนะมันมีเขามันอยู่แล้วแต่ไม่เห็นให้สังขารไปบังหมด ที่หลวงปู่มั่นท่านว่ารู้ไม่ทันขันบางธรรมรู้ไม่ทันขันบางธรรมนี่แน่ทำมันไม่อยู่แล้วแต่เพราะรู้ไม่ทันขันมันเลยไปบางธรรมหมดนี่แน่รู้ไม่ทันขันบางธรรมนี่แน่ที่เราพยายามจะพูดให้ทุกคนเข้าใจเราพยายามจะพูดจะพูดจะพูดในสิ่งที่เนี่ยที่รู้ที่เห็นที่มันที่มันเข้าใจพยายามจะพูดให้ทุกคน มันมันเป็นอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันรู้อย่างนี้มันก็เจออย่างนี้ให้เป็นอย่างนี้ดิให้ทาอย่างนี้ทําอย่างนี้ทางนี้อุ้ยเราจะเทนเมื่ออะไรลุกเอาลุกเอาลุกขาดเอาเพื่อว่าเราเห็นว่ามันมีทางเป็นไปได้มันไม่ใช่ของยากเย็นอะไรมันมีอยู่แล้วในตัวเราอ่ะแต่ทําไมมันจะไยิงสับสนสับสนอยู่เออแล้วะของมันมีอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าของไม่มีมันมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ใช่เราไปหาที่อื่น ไม่มีไม่เกิดเราเลยแล้วต้นหลังหลังเราสอนแล้วลูกคลาดจริงๆเลยใครมาหาเราแล้วกลับไม่ได้นะยังไม่เข้าใจกลับไม่ได้เดี๋ยวก่อนต้องกลับไม่ได้เลยที่อยู่วเนี่ยเนี่ยเราลุกคลาดมากเีๆๆๆๆ่เอาอจี้เอ๋อจี้เอ๋อเพรานี่ยถ้าทุกคนเนี่ยเราว่านะถ้าเอาใจใส่กับมันจริงๆ ไม่ปล่อยวางธุระเอาใจใส่กับมันอย่างที่เราสอนเนี่ยอย่างที่พระเจ้าสอนเนี่ยไม่ทอดวางธุระเลยไม่ปล่อยวางธุระเลยทําความเข้าใจในเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องอายตนะเรื่องดิพานเนี่ยเรื่องธาตุรู้เนี่ยเรื่องจิตเดิมแท้เนี่ยเรื่องพุทธะเนี่ยทําความเข้าใจอย่างมันจริงๆอย่างจดจ่อเอาจริงเอาจริงกับมันจริงๆไม่ไม่ปล่อยวางธุระเลย คนสอนก็มีอยู่คนชี้ใช้ก็มีอยู่หลักธรรมก็มีอยู่คําสอนก็มีอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เปรลาหันก็ยังมีอยู่หลายท่านเอาจริงเหะเอาจริงๆรอ่ะมันย่อมถึงจริงเป็นจริงรู้จริงเห็นจริงจริงเอาจริงจริงอ่ะเอาจริงๆรเอะมันมันขอที่มันมีอยู่แล้วในตัวเราเนี่ยคนสอนก็มีอยู่คนจ้ำจี้จ้ำใจก็มีอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เปรลาหันก็ยังมีอยู่จริงไม่ใช่หมดไปตอนเนี้ หรืออย่างเดียวหรือเอาจริงอย่าปล่อยวางธุละปล่อยวางธุละอะไรคือมันเลิกรู้เลิกเห็นเลิกทําความเข้าใจเลิกทําความเพียรที่จะสังเกตทําความเข้าใจอย่างที่เราพูดมันปล่อยวางหมดแลยฟังเสร็จแล้วก็เลิกไปอยเราไปคุยกันไ ป, ไปคิดเรื่องนู่นไปคิดเรื่องนี้ไปเป็นโลกโลกแล้วก็ลืมไปหมดแล้วที่สอนมาที่ฟังมาหายหมดแล้วมันหายไปหมดแล้วจากใจเราไม่รู้สึกเลยมันหายไปจากความรู้สึกไอ้ฟังคําสอนไปเนี่ยมันหายไปเลย อ่านใจความรู้สึกเราเราก็มาพูดใหม่อยู่เรื่อยแล้วมาพูดใหม่อยู่เรื่อยแหละแล้วมาพูดใหม่อยู่เรื่อยมาจำจี้จาใจคนแล้วคนเล่าคนแล้วคนเล่ามาจําจี้จําใจว่ามันมีอยู่นะมันมีอยู่ตรงจริงมันมีอยู่จริงจริี่ยมันมีอยู่จริงๆริงนไม่ใช่ว่าเขาพูดแล้วมันไม่มีไอ้จิตตั้งเดิมแท้ๆใจตั้งเดิมแท้ๆเนี่ยจริมันโอ้ยเยือกเย็นสงบมันมีความสุขอยู่ในใจของมันที่ไม่เป็นความสุขที่เป็นอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกที่เราไปได้อะไรมาแล้วไปต้องมันเป็นความสุขที่ปล่อยวางความสุขที่ไม่ม มันยุบมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่อย่างอื่นเนี่ยมันล้วนแต่เป็นของที่ไม่เที่ยงหมดเลยร่างกายก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกมันคิดอารมณ์จิตใจการวิญญาณอาคารไปรับรู้เต่าหัวจมุริกใจแล้วมาปรุงแต่งในใจมาปรุงแต่งในใจรับรู้มาปรุงแต่งในใจวิญญาณกระดับไปแล้วก็รับรู้ใหม่มาปรุงแต่งในใจมันก็เกิดดับไปเกิดดับไปมีแต่ใจอที่ไม่ปรุงแต่งมันมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความไม่ไหวริงมันเป็นของมันอยู่แล้วไปอยู่อย่างนั้นแตลอดกาล ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านท่านบอกอยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้หรืออยู่กับผู้รู้ก็อยู่กับใจของเจ้าของนี่แหละไม่ได้อยู่กับอะไรหรอกอยู่กใจที่มันนิพพานนางประลาบางสูนอย่างนิพพานนางประลาบางสุขขังนี่แนะหรือนักทีสันติบาลังสุขังอยู่กับใจส่วนที่มันเป็นความสงบนี่แนะความไม่หวั่นไหวความไม่กระเพื่อมความที่ไม่ปรุงแต่งเพื่อจะไปทําให้ความคิดมันสงบไปอารมณ์สงบไปอาการสงบไปหรือพยายามความสงบในขั้นสัมถะอะไรไม่ใช่เห็นไม่ใช่ทั้งหมด เป็นความสงบโดยตัวของมันเองโดยธรรมชาติแท้ๆของมันเองสงบจากความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขารตาธาต์หรือสุญญตาธาต์เมื่อเรารู้เห็นเราก็ใจเราเป็นนะเนี่ยมันก็เนี่ยเออลูกศิษย์เราติดตามเรามากันนานเราว่ามันไม่ยากมันไม่ยากมันไม่ยากเราเลยพยายามจี้ จําจี้จําใช้จาจี้จําใช้มากเลยใครมาหาเราเนี่ยเราพยายามจําจี้อยู่ตรงเนี้ยไม่ยอมปล่อยเลยว่าทาหลายคนที่มาหาเราเร <S <S <ล>ะยะเนี่ยเราถ้าไม่ปล่อยเลยใครมาหาเราเนี่ยเรากลับติดเลยอ่บอกว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้อย่าหลุดอย่าพิกไปอย่าเพิกกลับไม่เข้าใจนี่อย่าเพิกกลับนอนนี่ออก่อนอย่าเพิกกลับอี้เอาจี้เอาเลยเนี่ยแต่เขาก็ว่าเราใจร้อนเกินไปอาจารย์ใจร้อนเกินไปเสียของหมดใช่ไหม ใจร้อนเกินไปอาจารย์ใจร้อนเกินไปออจะไม่ใจร้อนได้ไงมันจะตายแล้วเดี๋ยวมันจะตายแล้วออ่ะไอ้คนฟังก็จะตายแล้วไอ้คนสอนก็จะตายแล้วอแล้วไม่ใจร้อนได้ไงอ่ะเออใจเย็นเย็นพมันใจเย็นเย็นกันจนตายไปแล้วตั้งหลายคนนะลูกศิษย์เราดูสิเนะี่ยกี่คนเลยที่ตายไปแล้วมันตายไปแล้วตั้งหลายคนอ่นพะพอใจเย็นเย็น เพรเนี่ยเดี๋ยวมันจะตายมันจะตายซะก่อนนะมันน่าเสียดายน่าเสียดายของของมันมีอยู่แล้วกับกับหา ม, มันไม่เจอหามมไม่พบไอ้จิตเดิมแต่หรือใจตั้งเดิมแต่แตหรือพุทธะเนี่ยหรือนิพพานธาตุอาลันธาตุหรือธรรมธาตุจะเรียกอะไรก็ได้ทิฏฐิภูตังก็ได้เรียกพุทธะก็ได้แล้วแต่จะเรียกถ้ามีหลายชาติหลายภาษามันคงเรียกอะไรต่างๆไปอีกะเยอะแยะแล้วแต่ใครจะปรุงแต่มันคือไอ้ส่วนที่มันไม่ไม่ปรุงแต่งอะเนี่ย ไอ้ น, นั่นจะเรียกชื่ออะไรมันก็ได้มันเป็นส่วนที่ไม่ปรุงแตง่งร่างกายเป็นส่วนปรุงแตง่งจิตใจเป็นส่วนปรุงแ ต, งแต่งแต่ไอ้ส่วนไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่ครับมันมีอยู่แล้วมันจะตายซะก่อนนะเราเนี่ยโอ้ยยังไงอะ่ะเออถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยพวกท่านนะเราจะไม่จำจี้จำชัยเลยเราทั้งรู้เห็นตัวเราแล้ ว, ลวรู้เห็นตัวพวกท่าน โดยจิตใจพวกท่านเราจึงจำจี้จำชัยถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นเราแล้วไม่รู้ทางเราไม่บอกเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ทางเป็นไปป็นมาของท่านภายในใจแล้วตัวเราก็ไม่รู้เห็นทางเราไม่จำจี้จำชัยไม่บอกให้สอนหราเพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวผาพวกท่านหลงทางนี่มันต้องรู้ต้องเห็นต้องมันเข้าใจมันก็มันเลยจำจี้จำชัยมากเลยเพราะอะไร วันนี้มันเป็นอย่างนี้ที่อย่าไปอย่างนั้นอย่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าหลงไปทางนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างงี้อุ้ยในใจเราไม่คิดอย่างนี้หระมันต้องคิดอย่างนี้อุ้ยคิดไปถูกแล้วอุ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไปปรับแต่งอย่างนี้ก็ไปถูกอุ้มันตั้งสมมติฐานว่าอย่างงี้ไม่ถูกมันทําไมเป็นอย่างนี้วะอย่างงี้เอาตัวเราไปดิ้นล่นค้นหามันก็ไปถูกมันก็เป็นสังขารอีกเอาตัวเราไปดิ้นอีกแล้วเอาตัวเราไปค้นอีกแล้วมันก็เป็นสังขารสังขารอุ้ยทำไมทำอย่างน็ี้เเเเาหหหห็็็นนนนนน้้ขไไไอคมมม่่่่่ะะ มันยากตรเนี้มันจะยากอ่ะแต่เราไม่เกินความสามารถหรอกมันต้องเห็นกันจนได้นะเราไม่เกินความสามารถถ้าไม่ทิ้งความเพียร น, นะไม่ทิ้งความพยายามเราว่ามันต้องเห็นได้รู้ได้รับรองเลยมันต้องเห็นได้แล้วได้เราเชื่อมั่นไม่รู้เป็นอะไรด้วยความสามารถของเราเนี่ยเราใช้มันเต็มประตูใช้มันเต็มแม็กซ์เลยเรามีอะไรทั้งหมดเราใช้เต็มแม็กซ์เลยความรู้ความสามารถเราเนี่ย จะช่วยเหลือผู้กันขออย่างเดียวให้เป็นคนจริงพ่อแม่ครูบาอาจ า, า, จารย์หลวงปู่ทาจะรู้ธโมโทั้งว่าเป็นคนจริงไหมละ่ะคนจริงทำจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงแล้วท่านก็หัวเรา ะ, ะ, ะเป็นคนจริงไหมละ่ะ เหลืออยู่อันเดียวเป็นคนจริงท่านเป็นคนจริงชอมย่อมได้ของจริงเพราะของจริงมันชื่อว่าสัจธรรมสัจจะแปลว่าความจริงธรรมมันคือของจริงถ้าท่านเป็นคนจริงคําจริงเพียนจริงไม่ปล่อยวางพูร่ท่านยอมได้ของจริงก็คือได้สัจธรรมเพราะ ทำมันคือของจริงสัจจะแปลว่าของจริงท่านย่อมไดของจริงอยู่ที่ตัวท่านทุกคนดวงตาเหลือจาย์มีหน้าที่จี้จําจี้จาชายท่านเท่านั้นแต่คนจริงต้องเป็นท่านทำริดเยี่ยนผิงไม่ไปล่วางทุลัเพราะ เ, ออเวลามันแต่ละคนเหลือไม่มากแล้วมันเหลือไม่มากจริงๆมันจะไม่ทัน เวลาที่เหลือนี่มันก็แทบไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเหลือไม่มากทั้งคนทั้งผู้สอนผู้ถูกสอนเวลามันเหลือไม่มากแล้วท่านอย่ามัวช้าอย่ามัวประมาทอย่ามัวช้าอย่ามัวประมาทถ้าท่านมัวช้ามัวประมาทมันน่าเสียใจน่าเสียดายเกิดมาเป็นคนยากที่สุดในโลก อบพุทธศาสนามีคนสอนจำที่จำชัยพระอาหารหันต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาหารหันต์ก็ยังมีอยู่แต่เราเหลวไหลเองจะโทษใครเนี่ยโทษใครไม่ได้เลยตายไปตกนรกไปเป็นเปนเป็นอสุรากายเป็นสัตว์เดรัจฉานพุทธเจ้าว่าโอกาสจะกลับมาเป็นคนแทบไม่มี มีเปอร์เซ็นเท่ากับดินในขี้เล็บพระองค์มันแน่แ น, นอกจากนั้นคนในโลกมนุษย์เนี่ยตั้แต่อดีตปัจจุบันนาน า, นาโพที่ตายไปอ่มีปริมาณเท่ากับพื้นปฐพีเนี่ยไปอับายหมดตกเป็นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายสัตว์นรกหมดเพราะมันเป็นไปตามอันลงมันเป็นไ ป, นปนตามกิเลสมันไปมัไปนรกไปอบายหมดไอ้คนที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้กลับมาเป็นคนใหม่ได้ท่านว่ามันนอ้อย นัดมันเท่ากับเทียบแล้วเท่ากับปริมาณดินในขี้เล็พระองค์กับดินในผ้าพืนประจมีถาภาษาบอกว่าใครเปนมากกว่าการลังดูเหอะโอกาสพวกเราเนี่ยะสะานแล้วเนี่ยเกิดไปมีนคนพุทธศาสนามีคนสอนทำจําจีจ้จําใจคอยดูคอยรู้คอยเห็นคอยบอกว่ากล่าวและพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอาราหาันก็มีอยู่คอยให้สอบให้ทานฟังเราแล้วก็อย่าเชื่อเราโดยตรง ไปปฏิบัติให้มันรู้จริงเห็นจริงเราไปสอบทานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราที่เป็นอหรหันต์ก็ยังมีอยู่ที่เป็นอหรหันต์เสียไปแล้วมรภาพไปก็หลายองค์ที่ยังมีอยู่ก็ยังมีอีกหลายองค์ก็ไปสอบไปทานเอามันเหลืออยู่อย่างเดียวที่ไม่ทําจะว่ายังไงก็ไม่เอายังไงทันทีไม่หือไม่อือจะบอกจะกล่าวจะสอนยังไงก็ไม่เอายงไงทันทีไม่หือไม่อือเราก็ต้องปล่อย พไม่หือไม่อือเลยนะก็ต้องปล่อยแล้วเพราะไม่รู้จะทำยังไงที่ท่านกล่าวไว้ครั้งที่หนึ่งเตือนได้ครั้งที่สองเตือนอีกทีแต่อย่าให้เกินสามครั้งเพอแม่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านเตือนดูด่าว่ากล่าวไม่เกินสามครั้งครั้งที่หนึ่งเตือนแล้วว่าแล้วก็ยังไม่เชื่อครั้งที่สองเตือนแล้วว่าแล้วตักเตือนแล้วก็ยังไม่เชื่อ ต้องที่สามต้องปล่อยแล้วต้องปล่อยอุเบกขาเพราะหมดหนทางจริงๆอันนี้ยอยู่ที่ตัวเราทุกคนนะไม่มีใครละไม่เมตตาไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไหนไม่เมตตาท่านไม่เมตตาหมด เ, เดือดตาเราเท่านั้นแหละพระพุทธมุพทาจะละโมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาเราเนี่ยไม่เคยว่างเว้นเลย มีแต่พวกเราเนี่ยแหละไม่เคยเมตตาพุทธเจ้าเลยปล่อยให้พระองค์อตบมือข้างเดียวพวกเราไม่เคยประสานมือกับพระองค์เลยหรือเหมือนกับพวกเราเนี่ยพระพุทธเจ้ารอให้รางวัลอยู่ดีไปล า, ายทางวิ่งมาราธอนพวกเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมมีความเพียรเหมือนพวกวิ่งมาราธอนขอให้วิ่งถึงเส้นชัยเท่านั้นแหละไม่ต้องเป็นที่หนึ่ง ทุกคนท้าวิ่งถึงเส้นชัยพุทธเจ้ารอให้รางวัลทุกคนไม่เคยว่างเล่นเลยแต่พวกเราไม่วิ่งออกนอกเส้นทางกันหมดวิ่งก็ไม่วิ่งวิ่งแล้วก็เลิกล้มออกนอกเส้นทางกันหมดจนที่สุดตายไปก่อนถึงเส้นชัยไม่ทันได้รางวัลทนอดทนวิ่งู่ถึงเส้นชัยได้รางวัลจากพุทธเจ้าทุกคนทุกวงทุกค น, กคนจนพุทเจ้าตัดว่า ผู้ใดก็ตามเขามีสติมีความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างที่พระ อ, องค์สอนเนี่ยในส ต, ติปัฏฐานสี่คือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็คือรู้ในร่างกายจิตใจเราเนี่ยที่สอนเนี่ยเป็รู้ออะไรรู้ร่างกายจิตใจเรากายเวทนาจิตธรรมก็คือร่างกายจิตใจเรานี่แหละอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายมีความเพียรไอ้มีสติมีความเพียรเนี่ย ไม่รู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมม็คือร่างกายจิตใจเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายอย่างที่เราสอนไปเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดปีอย่างเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันต้องบรรลุพะระอรหันต์อย่างแน่แท้แต่ถ้าหากบุญวาสนาบารมีน้อยน้อยนะคุณราสังน้อยจะบรรลุถึงอนาคาม แล้วมีสี่ขั้นเนี่ยติบัลุโสดาบันสกท า, าคามีอนาคามีอัลลหัน์บุญวาสนาบา ร, รมีน้อยบรรลุถึงอนาคามีเลยดังนั้นนะคนทั้งหลายจะมาโทษตัวเองว่าฉันบุญวาสนาน้อยปฏิบัติไม่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมครูเจ้าตรัสว่าถ้าไม่ทอดปล่อยวางธุระสติเนี่ยมาเลื ล, ลึกรู้อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเดินสติปัญญาอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดสายบุญวาสนาบา ร, รมีน้อยยังสําเร็จถึงอนาคามีเลย ไม่ใช่โสดาไม่ใช่ถกกาตาคานะไปอนาคามีแต่ถ้าบุญวัสนาบาตรมีมีมาแล้วไม่ใช่น้อยนะมีมาแล้วอย่างช้าที่สุดไม่เกินเจ็ดปีอย่างเดียวที่สุดไม่เกินเจ็ดวันบรรลุพระลานอย่างแน่นแท่นี่เป็นคําตัดและคํายืนยันรับรองจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองแน่นนั้ น, นหลายคนชอบโทษว่าวัสนาน้อย คุณบรารมีไม่พอหรอกอย่างที่อาจารย์สอนนะไม่พอหรอกมันไม่มีบุญศาสนาบรารมีอย่างนั้นหรอกหนูไม่มีผมไม่มีหรอกอะไรเงี้ยอันนี้มันนะประมาทในขี้เกียจขี้เกียจในเป็นคนจริงนะสมกวท่ทุ่มเทประสบความสาเร็ จ, จเป็นไม่สำเร็จกี่ทัทแล้ะเราก็มีหน้าที่จำที่จำใจพราะแม่คูบาราหานก็ไม่อยู่ ทำก็มีอยู่พุทธศาสนาะก็ยังมีอยู่ยังไม่สูญไปเดี๋ยแต่ตัวท่านแล้วเป็นคนจริงทำจริงย่อมรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเป็นธรรมจริงๆพบศักดิ์จริ ง, ร ง, รงเป็นจิตเดิมดแท้ๆเป็นใจดั้งเดิมแท้ๆเปลี่ยนข้านะมาก็อนุโมทนากับทุกท่านที่เดินทางมาไกลมาอยู่เพียรพืชปฏิบัติธรรมก็ ตั้งใจสาตร์ตั้งใจฟังมาได้ดีที่เหลือก็เหลือแต่ทำความเปียนไงเีเขานะ